ว่าสิกขาบท 8 ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขา 1 เรื่อง เพื่อข้าเข้าต้มถวายภิกษุณีทั้งหลายแล้วฝากไว้เจ้าของร้านค้า สมาคมนั้นทราบเข้าจึงตําหนิประณามโพนธนาว่า ฉะนั้นพวกภิกษุณีจึงให้เอาบริขารที่เขาถวาย ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าผู้ ที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแก่ภิกษุนิจํานวนมากแล่ ที่ขอถวายอุทิศของอย่างเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบสิกขาบทวิภังคําว่าก็ นี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมาย ให้แลเปลี่ยนเป็นปัจจัยอย่างอื่นนอกจากที่เขาถวายเจาะจงไว้ต้องอาบัติทุกกฎในขณะที่ กราบท้าภิกษุณีผู้แก่พรรษานั่งประจ่มประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า พึงคืนของที่เธอสละให้ด้วยยติกรรมวาจาว่าแม่เจ้าขอทรงจง แม่เจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายดิฉันขอสละของนี้แก่แม่เจ้าทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติพึงคืนของ บðพราชนِ ตึกของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งของที่เขาทวายเพื่อประโยกกับปราชไจอย่างหนึ่งพิกศ containingสำคัญว่า เป็นของที่เขาทวายเพื่อประโยกกับปราชไจยอย่างหนึ่งให้แลกเปลี่ยนของอย่าง Ordお願いします ต้องอาบัญที่สัค opticsตรี ไม่ใช่ของที่เขาก Elliot เพื่อประโยชน์ใก่ปัจจัยอย่างหนึ่งให้แรกเปลิ่งของอย่างอื่น ต้องอาบัติศักษัยปению PARыпิติ พิกษุณีเร็กของที่สละแล้วคืนมาเพื่อ الرวมกับปัจจัยที่เขาก feat ไว้ทุกกะทุกกฎไม่ใช่ของที่เข Hass prochวายเพื่อประโยชน์ใก่ปัจจัยอย่างหนึ่ง พิกษุณีสำคัญว่า ไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอาบัติทุก 2 ภิกษุณีขอ 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณี 5 ภิกษุณีต้น 8 จบ 1 ปัตตวัคสิกขาบท 9 ว่า 2 เรื่อง สมัยนั้น พวกเราฝากบริขารข้าวต้มไว้ที่บ้านของเจ้าของร้านค้าชื่อโน้นท่านทั้ง ที่เขาบริจาคแก่ภิกษุณีจํานวนมากที่ขอมาเองแลกเปลี่ยนของ ครั้งแล้วภิกษุณีเหล่านั้น ที่เขาบริจาคแก่ภิกษุณีจํานวนมากที่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 เรื่องภิกษุณีหลายรูปจบสิกขาบทวิภังคํา คือของที่ถวายยกถวายเป็นโมรค่ปัจจัยอย่างหนึ่งคําว่าที่เขาบริจาคแก่ เป็นนิสสคีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่ภิกษุณีรูปเดียว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 ของนี้ของภิกษุณีชื่อนี้เป็นนิจักขีเธอสละแก่สงฆ์ สละแก่บุคคลภิกษุณีรูปนั้นเพิงเข้าไปหาภิกษุณีรูปหนึ่งผม ภิกษุนี้สําคัญว่าเป็นของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งให้แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นต้องอาบัตินิสัจคิยปาจิตติของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งภิกษุ ไหร่แลเปลี่ยนของทุกกะทุกกดไม่ ไม่ใช่ของที่ขอถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งภิกษุณีสําคัญวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1 ไม หาภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่ 9ทท10 ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขาร กล่าวกล่าสามารถกล่าวทำมีคถาคนจำนวนมากเข้าไปหาภิกษุณีถุลนันธานั้นสมัยนั้นบริเวณที่อยู่ของภิกษุณีถุลนันธาชํรุดชาวบ้านได้กล่าว เป็นค่าบริวนะบริเวนถวายภิกษุณีโถลนันทาแต่ภิกษุณีโถลนันทาขอให้อบริขารนั้นแลกเปลี่ยนเพศัสตร์เองแล้วบริโภคพวกชาวบ้านทราบเรื่องเข้าจึงตำหนิประณามโพนทนาว่าไฉนแม่เจ้าโถลนันทาจึงให้เอาบริขารที่ ครั้งแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบผู้ภิกษุจึงได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท ที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแก่บุคคล ภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้หรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้ แลกเปลี่ยนของอย่างจบสิกขาบทวิภังคําว่าก่อใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก่อใดคํา คำว่าเอา ให้แรกเปลี่ยนปัจจ่ายอย่างอื่นนอกจากที่เขาถวายเจอจงไว้ต้องอาบททุกกฎิ์ในขนาที่ให้แรกเปลี่ยนของนั้นเป็นนิศัคฆ่าคีเพราะได้มาเคยเป็นของจำต้องสละแกะสงค์แกคณะหรือแกะพิศุนีรูปเดียวภิกษุทั้งหลายพิศุนีพึงสละของที่เป็นนิศัคฆี่อย่างนี้ กราบท้าภิกษุณีผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าของนี้ดิฉันให้เอาบริขารที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่าง แม่เจ้าขอทรงทรงฟังข้าพเจ้าของนี้ของภิกษุณีชื่อนี้เป็นนิสสัคคี ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติพึงคืนของนี้ให้ Um mm. ของที่เขาถวายเพื่อประโยคแกปัจจัยอย่างหนึ่ง ไผลแรกเปลี่ยนของอื่นต้องอาบัตินิสัจคิยปาจิตตีย์ภิกษุณี ไม่ใช่ของที่ขอถวายเพื่อประโยชน์แก่ 1 ภิกษุณีนํากับปยะพันธุ์ที่เหลือ พระภิกษุณีต้น 10 จบ 1 ปัตตวะ 11 ว่าด้วย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 ภิกษุณีโถลนันทาชี้แจงให้พระเจ้าประเสริฐโคสลผู้ประทับนั่งณเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้ ได้ตรัสกับภิกษุณีโถลนันทาดังนี้ว่าแม่เจ้าท่านต้องการสิ่งใดก็โปรดได้บอกเถิดภิกษุณีโถลนันทานั้น แล้วทรงประทักษิณเสด็จจากไปพวกชาวบ้านตำหนิประณามโพนธนาว่าผู้ภิกษุณีเป็นคนมักมากไม่ ครั้งแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้ง ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะ ภิกษุณีเมื่อจะขอผ้าห่มหนาพึงขอได้เพียง พึงขอผ้าที่ 16 อาภัพนะได้คําว่าถ้าขอเกินกว่านั้นความว่าภิกษุณีออกป่าขอผ้าราคาเกิน ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มอุตราสงฆ์ แม่เจ้าขอทรงทรงฟังข้าพเจ้าผ้าห่มนาผืน ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติพึงคืนผ้าห่มนาผืนนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุณี ติกกันนิสคิยปาจจติผ้าห่มนาราคาเกิน 4 กรัมสิกขุนีสําคัญว่าเกินขอต้องอาบัตินิสคิยปาจจตินาราคา 4 กรัมสิกขุนีไม่แน่ใจขอต้องอาบัตินิสคิยปาจจติผ้าห่มนาราคาเกิน 4 กรัมสิกขุนีสําคัญว่ามีราคาหย่อนกว่าขอต้องอาบัตินิสคิยปาจจติทุกกะทุกกฏ ผ้าห่มนาราคาหย่อนกว่า 4 กรศภิกษุณีสําคัญว่าเกินต้องอาบัติ 1 ภิกษุณีขอผ้า 2 ภิกษุณีขอผ้าห่มณราคาหย่อนกว่า 4 3 ภิกษุณีขอจากญาติ 4 ภิกษุณีขอจากคนปวารณา 5 ภิกษุณีขอเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น 6 ภิกษุณีซื้อมาด้วยทรัพย์ตน 7 ภิกษุณีขายผ้าราคาถูกแต่ทายก สิกขาบทที่ 12 ว่าเรื่องภิกษุณีทุลนันธาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ พระเจ้าประเสริฐธิโกศลทรงภาพเหลือบไม้ราคาแพงก็ไปหาภิกษุณีทุลนันธาถึงที่อยู่ทรงอภิวาทแล้ว พระเจ้าประเสริฐที่โกรศลผู้ซึ่งภิกษุณีทุลนันธาชี้ ครั้งนั้นพระเจ้าประเสริฐธิโกโกสลถวายผ้า บรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิ ภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีโถลนันธาว่าจริงพระพุทธเจ้าฆ่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายไฉนภิกษุณีโถลนันธาจึงออกปากทูลขอผ้าปเหลืองไม้จากพระราชาเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้มิได้ หรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่ 2 กังสาครึ่งเป็นอย่าง คำว่าเมื่อจะ 2 กับ 3 ครึ่งเป็นอย่างมากคือพึงขอผ้ามีราคา 10 กหาพนะได้คำว่าถ้าขอเกินกว่านั้นความว่า ภิกษุทั้งหลายทั้งหลายภิกษุนิพึงสละผ้าห่มบางที่เป็นนิสสัคคีอย่างนี้วิธีสละผ้าห่มที่เป็น พลันสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุณีผู้ฉลาสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนผ้าห่มบางที่ กราบท้าภิกษุณีผู้แก่พรรษานั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายดิฉัน แม่เจ้าเจ้าดิฉันขอสละผ้าห่มบางผืนนี้แก่แม่ ภาหมบางราคาเกิน2 Pop 10 รos 9 รjas 1 in mind, category 2ก swept well, 2o 꺼�いきière乐, hardship ภิกษุณี 1 ภิกษุณีราคา 2 กังสา 2 ขอผ้าห่มกว่า 2 กังสา 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณีขอจาก 5 ภิกษุณี 6 ภิกษุณี 7 ภิกษุณี พระภิกษุนี้ต้นบรรยัติสิกขาบทที่ 12 จบบทสรุปแม่เจ้าทั้งหลายธรรมคืนิสกิยปาจิตตีย์ 30 สิกขาบทข้าพเจ้า 2 ว่าแล้ว ข้าพเจ้าขอถามเป็นว่าแม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือแม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วในธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย์ 30 สิกขาบทเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่าง มาถึง 1 มาและสุนวัคหมวด 1 แลว่าด้วยการขอกระเทียมเรื่องภิกษุณีโฑลนันธาสมัยนั้นหนึ่งปวารณาด้วยกระเทียมกับภิกษุณีสงฆ์ไว้ กระผมขอปวรณาแม่เจ้าทั้งหลายที่ต้องการกระเทียม กระเทียมที่เขานํามาเก็บไว้หมดแล้วท่านทั้ง ฉะนั้นแม่เจ้าโฑลนันทาให้นํากระเทียมไปเป็นจํานวนมากโดยไม่รู้จักประมาณเล่า ภิกษุนิโถลนันธาให้นํากระเทียมไปเป็นมิได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส ที่จริงกลับจะทําให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ มี 3 คนชื่อนันทานันทวดีสุนทรีนันทาภิกษุทั้งหลายต่อมาพราหมณ์นั้นตายไปเกิดเป็นหงส์ตัว ในครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันธา ภิกษุณีใดฉันกระทีมต้องอาบัติปาจิตตีย์เรื่องภิกษุณี ที่ชื่อว่ากระเทียมชื่อว่ากระเทียมพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงกระเทียมชื่อมะคทิกะกระเทียมภิกษุสําคัญ กระเทียมภิกษุณีสําคัญว่าไม่ใช่กระเทียมฉันต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกขะทุกกฏไม่ใช่กระเทียมภิกษุณีสําคัญว่า <departed> <ividual> 2 ภิกษุณีฉันกระเทียมแดง 3 ภิกษุณีฉันกระเทียมเขียว 4 ภิกษุณีฉันกระเทียม 5 ภิกษุณีฉันกระเทียมปรุงในแกง 6 ภิกษุณีฉันกระเทียมปรุงในเนื้อ 7 ภิกษุณีฉันกระเทียมเจียวน้ำมัน 8 ภิกษุณีฉันกระเทียมปรุงในยำกระเทียมปรุง